วันนี้นเรามีกิจกรรมที่ต้องทํานำเนยอะอย่างที่คุณยายประชาสัมพันธ์ไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นเหตุบุญนี่เหตุบุญก็คือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้ทําบุญทํำกุศลกันมันดีกว่าเหตุบาปก็เหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยทํำให้เราเป็นคนทําบาป ตอนนี้นอกจากรอพุทธรูปมี่ใช้เป็นพระประธานองหนึ่งที่อุโบสถคนแในวากที่ห้องพ่อเคยไปอยู่เมื่อ3สามสิบกปีที่แล้วที่กัมพูาที่เป็นพระประธานในโบสถ์อีกสองก็เป็นพระประธานที่สลาศพที่เรากำลังสร้างใหม่แล้วก็สาวก อนนี้เราพูดถึงเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวนหน่อยแนะนำพราวาจาร์เพื่อเราทราบสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักส่วนใหก็รู้จักแล้วก็แะนะนำอีกครั้งองค์นั่งข้างหน้าคือหลวงปู่วุญจันทร์จันทศีโลคนอุปถามภตับใชหลวงปูแหวนปัจจุบันจังหวัดมีตรดิัเพอฟัง เกิดกกับบอน้ำมันถ้าใครไม่รู้จักเอาบอลน้ำมันเป็นหลักบอลน้ำมันฝังวัดเกิ่วดูเมื่อก่นกบบอนเรีย่บอลน้ำมันฝังอืปัจจุบันอา ย, อยุเจ็ดสิบกลางๆเนี้ยองค์ที่สองอนาคตจะทำได้กันแต่แก่แล้วผู้เฒ่าน้อยอายุเจ็ดสิบปีนี้แล้วอืม คนนี้นเป็นจ้อดีตเจ้าอาวุธแน่ก่อยวัหลุมพูมันปัจจุบันไปสร้างวัดอยู่ที่เทยอรมันยี่สิบกว่าปีกแล้วเมื่อประมาณยี่สิบเอ็ดยี่บสองปีที่แล้วก 20, ว็เคยไปเยี่ยมบัษาอยู่กับท่านนี่แหละหลวงพ่อเคยไปเยี่ยาบัษาที่เยอรมันยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไปไปมาๆกันอยู่ตอนนี้ก็กำลังสร้างโบสถ์ มาคุยเรื่องงานคุยเึื่งส่งของพุทธรูปมาจากบ้านเราหมดก็ส่งส่งมาทางเรื อ, อยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้อาปากเลื่งไปเลื่องมางานกับงานก็แนะ่ยนะไม่รู้เราทราบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้บ่นนะวันนี้บน่นไม่ได้ เ, เทศบน่นเป็นเกจความรู้ที่พวกเรา หลายคนอาจจะยังไม่รู้นิดๆหน่อยๆตอเจนค่อยเล่าละเอียดเมื่อไม่กีก่วันที่ผ่านมาที่วิ่งไปมาคือไปครบงานรูปู่ขาเขาเรียกสถานที่บรรลุธรรมอันนี้เขาว่าตามที่เขาเขียนเป็นสถานที่รูปูเขาวบรรลุธรรมที่ทำทอำเภอพะอ๊ ใ, ใกล้ลกับรูปูนะูน่ะ ใกล้ๆกับหลวงปู่แหวนห่างกันนะ้นประมาณสักสิบกิโลเอ็ดกิโลประมาณเนี้ยประมาณเมื่อก่อนเป็นตนุ้งหนาหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวผู้เราอาจจะยังไม่รู้เอาถึงหลวงปู่ขาวก่อนหลวงปู่ขาวเกิดหลังหลวงปู่แหวนปีเดียวเอง ลูปกปูเขาเกิดพศ20431ลูปกปูแหวนเราเกิดพศ20430ต่างจุดแก่กันปีเดียวอายุนะแต่ภาษาลุงปูแหวนแก่กว่าเยอะเพราะว่าลูกปูเขานั้นท่านอยู่กับโลกมานานไปแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเต่าตั้งหกเจดคนภูเข พวกเขานั่นเป็นนายห้อยเก่าเป็นนายห้อยเก่าที่นี่เรื่องคาถาอาคมพวกนี้การว่ า, านายห้อยก็คือสมัยก่อนพวกค้าขายพวกต้อนวัวต้อนคอยไปขายต่างจังหวัดต่างอำเภอเนี่ยเป็นนายห้อยก็ต้องเก่งพอสมควรนะพนูดง่ายๆถ้าไม่เก่งผ่านหลายจังหวัดไม่ได้พวกง่าก็มีคาถาอาคมพวกนั้นมันจะเรื่องไสยศาสตร์พอสมควร บูขาวมรภาพเมื่อปีมรภาพก่อนกูแวนปีสองพันรอยี่สิบหกอันนี้ข่าวๆเนาะข่าวๆบูคาวถ้าใครอยาทราบประวัติเศาสตร์ก็เลาฟังอยู่ปีที่บ่าเงินกันบุรณะโดยแจนโสภาเพราะลูกสิทธ์นะครับผันไปผันมาตอนนี้เปือพพายอยู่้ายมือก่อนลองขอดทิศหนึ่งลองขอดเป็นโซนที่อยู่ของกุบายจาร เยอะเหตุก็คือตามหลวงปู่มันมานั่นแหละหลวงปู่พมหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชาวหลวงปู่ตามหลวงปู่มาแม้แต่หลวงปู่เหตุข้าว่าตามมันคือเดินเดินจากภาคอีสานขึ้นมาทางเหนือผูเราลงคิดแลว้วก่เนจะมาถึงตรงนั้นเดินข้ามเขามาซมันไม่มีทางสมัยนี้นีน่หมดตึง ลูปแหวนล่างูปแหวนของเราเนี่เป็นคนที่เม่อกีพูดจองกันคำํำนะเป็นคนที่เม่อกีพูดลูแวนนี่อยู่บเปลีป่ยนไปสิบอดปีจะไม่สบายเราออดิเอตนงปูนูก็มารับไปอยู่โดยอยู่ที่นานกว่าเพื่อนําลรคนมาถึงพระนับดำไ ม, ม่ปังก็คือวัดอรังห้อยนลเลนก็อยู่ไม่นาน ยืนนานกว่าเพื่อนในวัยที่ชราแล้วไม่สบายท่านไงเมื่อคืนก็คุยกับหลวงปู่ปุจจันทร์ไาเทระอนุเทระรุ่นสุดท้ายภายหลังแต่งประวัติแล้วแมไม่อ่านดู ป, ประวัติศาสตร์เลยไม่อ่านดูประวัติศาสตร์มาว่าหลวงปู่เรามอนรับภา พ, พ ป, ปี2528ปรายการเพิงปี2530 ไปสองปีเพวัะนั้นถ้าใครบทหลังสองพัน้าร้อยี่เจ็ดยี่แปดเนี่ยบวชได้เคยฟังเทศหลวงปู่เนี่ยไม่น่าจะมุสาวาทาเวรมณีเพราะอะไรเพราะสุภาร้อยยี่สิบเจดหลวงปู่ก็นั่งรถเข็นแล้วยี่สิบปดเริ่มต้องมุติเงล้นั่งรถเข็นแล้วที่เหตุที่นั่งรถเข็นที่ไม่สบายหนักรอบหลังก็เพราะเป็นล้มนองน้ําม่พาตัด อนก็ไม่ได้ก็นั่งรถเก๋งตลอดก็นั่นแล้วเขาบอกใครฟังเทศวังธรรมหลวงปู่เนี่ยน่าจก็บบุษบาพาทาเลีไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยคนพูดนี่มาอยู่หนึ่งปีสองพรอยสิบเจ็ดก็ยังเป็นเนนเลยไม่ได้เป็นผ่านปู่บุญจันทร์อยู่สองันรอยสบแปดขึ้นมาดังดังเราไม่ได้เห็นกันวันสองวันเหตกันกี่ปีแล้วรู้กูเปลี่ยนกับอายุสี่สิบกว่าตอนนั้น ปู่บุญจนทร์ก็ยังหนุ่มนั้นๆเออยังปู่เปลี่ยนยังไม่ได้ดังไม่เคยปฏิรูปจักขนาดนี้แล้วแต่คนก็เห็นมาปู่ปูซิมเราก็ยังหนุ่มยังหนุ่มอย่างแน่นปู่แว่นปู่หลวงดูลปู่ตื่นในสวนทางกันขึ้นมาตังเหนือหลวงปู่ก็อยู่กับไปอยู่บ้านอันนี้คือเราเยาะๆให้พวกเราฟัง แล้วก็วันที่สามหลังจากงานแล้วก็ไปร่วมรับผ้าป่าที่จะทอดร่วมสมทบตึกสุจินโนตึกสุจินโสนโสร้างเมื่อพศส5า2 1ตอนนั้นก็ยังเป็นเนนยังไม่ได้เป็นพระเก็ดคนพูดยังเป็นเนนปี121ตอนนี้กี่ปีแล้วหลายคนยังไม่เกิด40กว่าปีแล้ว เป็นตึกที่ทันสมัยสูงที่สุดในสมัยนั้นตั้ ง, ต ง, งแต่งานเดียว่าเครื่องไม้เครือมือไม่ทันสมัยปัจจุบันทันน้งคณะปฏิรองคณบดีิรูมหาวัดเรากำลังเรื่องโบราณะหาตัวปัจจัยถ้ารอรัฐบาลคงเป็นไปไม่ได้แต่โบราณใหม่คือไปรับปัจจุบันมีอาคารไม่ค่ชื่อมอาคารสุจินโนบางคนยังไม่รู้ว่าสุจินโนคือใคร แล้วก็มีเจอภาพที่ถวายทำเป็นรูปเหมือนเป็นเหมือนล็อกเก็ตตัวแจขนาดสี่กุณสเน็ตจะทำเป็นรูปแล้วก็ไปติดไว้ข้างบนเมื่อออกไปช่วยกฐาสตังค์ช่วยกฐาสตังค์เพราะว่า4ี่สิบกว่าปีมานี้คนที่ไปใช้บริการกับตึกสุจินโนี่พูดไม่ได้คิดอะไรมากเ่อเป็นล้าน อดีเขาไม่ใช้บริการครังแปลว่าอะไรแปลว่าโรคภัยช่วยชีวิตคนไ้เป็นล้านงั้นได้ใครมีกับประสงค์ที่จะบรณะหรือร่วมสุบัตณอาคารสุจินโนตอนนี้ก็ใกล้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วโดยรับเงินจากงประมาณจากรัฐบาล น, นิดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนเป็นเอกชน อันนี้คือเยอะๆส่วนถ้าใครจะฟังเทศไม่ใช่ฟังเทศจะเล่าเรื่องลุงปู่ปลุงปู่ในเกรปกองทำยังไงก็เวลามันจำกั น, นเลยพอลุงปู่เราคุณปู่ปเนวนพอเราคนที่เคยได้ยินใน้ฟังจริงๆน่ยมันเป็นยังไงก็กาที่เขาต่งรูปเขียนกันมามันเหมือนกันไหมได้ยินมาตั้งแต่เป็นแนนน้อยแต่เราไม่เคยอ้านมันเป็นรูปสื่อลุงปู่ตรงนั้นไม่เคย เมื่อหลวงปู่ท่านเป็นคนปกติปู่ยังไงอาจจะเรื่องกินอย่างเงี้ยปู่กินง่ายกินแบบธรรมดาของเมืองเมืองกินผักกินน้ำพริกกินอย่างพวกเรานะปู่ถึงอายุยืนปูป่มราภาพเก้าสิบแปดปีเต็มแล้วก็ย่างเก้าสิเก้าแล้วเราก็ถึงเก้าสิบเก้าปีบนระิเวณว่าอายุยืนกินธรรมดากินผัก กินน้พริเหมือนอาหารเมืองเมืองงานธรรมดาเหมือนชาวบ้านชาวบ้านเ่โบราณถ้าใครกินแบบนี้อายุยืนกินเหมือนพวกเราตอนนี้อายุไม่ยืนพวกเราต้องระวังอายุเยอะแล้วต้องระวังโดยเฉพาะคือพวกเนื้อที่เป็นสัตว์ใหญ่โบราณ น, นั้นบอกพระเจ้าเป็นกุศโลบายการบอกพวกวัวพวกไก่เขามีคุณต่อเราไม่ควรจะไปกินเขามันเป็นกุศโลบายจริงๆแล้ว เนื้อสัตว์ใหญ่เป็นมันจะให้ยากสําหรับคนที่อายุเยอะแล้วร่างกายสังขารไม่ให้นุ่มนุไม่เป็นไรแต่ก็ท่านก็เลยทยํายังไงถึงให้พวกเรารู้จักบุญคุณของเขามีบุญคุณกูัวบกควายก่อนใช้ท่านเนื้อหนเอาเนี่ยมาขู่พวกเราบอกว่าเขามีบุญคุณแต่เราจะไปกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากแที่สาคัญคือพิตาตั้งแต่เป็นเด็กอยูุยกควายก็คือ มันจะเป็นตัวพยาธิพยาธิยุ่ยเย้ยยุ่ยเย้ยไปหมดวางยังติดตาอยู่เป็นโบราณนึงเรียกว่าพยาธคือพยาธิเนี่ยคนโบราณไม่ว่าทางภาคอีสานหรือภาคเหนือเวลาคนเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็ น, ปนพยาธิภาษาโบราณจริงนะเป็นพยาธิอย่างก็คือเป็นโรคอะไรเขไม่เรียกเป็นโรคของปัจจนะุบันนะปัจจุบันเขาว่าโรค คือพยาธิเช่นพยาธิใบไม้ในตับพยาอยาิโหเยอะไปหมดอันนี้คือขับโบราณต้อปลูกก็ก็ฉันอย่างเงี้ยแหละฉันเรืปกติฉันธรรมดาะนั้นใครอยากย้ายายืนก็เปลี่ยนพฤติกรรมกั น, กนบไปพวกพอพูดชื่อเสมอมว่าโรกโรกร้ายโลกที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ยอาหารปากนี่แหละมาจากปากนี่แหละนั้นถ้าไม่ระวังปากกับเบาหวานเกิดจะอะไร ไขมันเกิดจะอะไรที่เคือหมอรักษาอย่างนี้ถามหมอถังเกิดจะอะไรพฏิบัติหมอวัดเราเยอะเลยนีเอก็มาจากสิ่งรู้นี้แหละมาจากอะไรก็จากการกินเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันตั้งแต่แรกคือเหตุคือผลคือหมอก็ไม่ต้องลำบากอันนี้คือเหตุะรูจะสอนทั้งเหตุทั้งผลผลก็คือทุกเหตุก็คือความอยาก นีคืออยากละอาหารนีคืออยากที่เรากินก็เพราะความอยากตอนต่อคือความอยากผลมาัาคือทุกข์่องนะตอนนี้อยากตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเปนทุกข์ยางยังป้อนเข้าปากตะพักไม่เกินยี่สีช่ชั่วโมงต้งรู้ว่าควาว่าทุกข์คืออะไรพอทุกข์เสร็จก็จะ อ, ออกนะธรรมชาติมันสอนเราอย่างนี้ถ้าใครไม่ออกเป็นยังไงทุกข์ทางหนักทั้งเบาเป็นยังไงเออ แล้วไม่มีใครรู้ได้นอกจากเราปวดอึปวดเบาเนี่ยมีใครรู้เรารู้นี่คือทุกข์ทุกข์เป็นสมบัติส่วนตัวของเราเราจะให้ใครกําจัดได้ออกได้ไม่ได้เราต้องออกเองปวดอึอึแทนหน่อยได้ไหมปวดฉี่ฉี่แทนหน่อยได้ไหมไม่ได้อันนี้คือธรรมชาติที่มันสอนเราจริงๆแต่เราก็มารู้ว่าเขาสอน หนูธรรมะของพุทธองค์เนี่ยคือถ้าใครมีทุกข์ก็ต้องเอาออกเองเอา อ, อกเองหมายความว่าต้องไปหาต้นต่อสืบสาเหตุวันคืออะไรเหตุของทุกข์คืออะไรเหมือนเราป่วยเรไปหาหมอแต่ไปหาหมอทังหมอเขจะถามหมอไม่รู้หรอกหมอทังไม่รู้หมอทังก็จะถามเป็นอะไรครับปวดหู ว, ป ว, หวปวดท้องนั่นคือหาตัเหตุแล้วจะได้ไม่ดิชัยไปตามเหตุก็คือเราแหละเป็นคนบอกคนบอกหมอแล้วก็หมอก็จะไม่ไดิชัย ตามความรู้ที่เราเรียนมาตามความชำนาญนะหลักการมันแค่นี้เองเพราะฉะคนที่รู้เดี๋ยวก็คือตัวเราไม่ใช่หมอหมอไป็นผู้ไม่ใช่เรารู้ทีหลังคนที่รู้ก่อนคือเราเพราะนั้นก็แปลว่าคนที่จะต้องแก้คือเราไม่ให้หมอไปแก้แก้ตรง น, นี้แหละแก้ตรงไงให้มันพอดีพอดีร่างกายมันก็บอกก็คืออิ่มนั่นแหละพออิ่ ม, มเสร็จมันก็บอกพอ ใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ได้แล้วนั่นคือความว่าพอดีคือร่างกายมันรับไม่ได้มัเกยยากขนาดไหนก็รับไม่ได้บอกกันพอแล้วชีวิตเราถ้าอาตัวนี้เป็นตัวตั้งบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องถ้าเขาแจ้งกันว่าพอแล้วมันก็อยู่ได้พอแล้ไม่ได้แปลว่าหยุดนะในขณะนั้นมันพอแล้วพอในขนาดนั้น เราไม่มีควาว่าพอเลยทุกเรื่องสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งที่มันเป็นอยู่เมื่อไม่พออะไรมาครอบงาก็คือความอยากความอยากมาครอ บ, รบงาความอยากคืออะไรก็คือตัณหาตัณหาคืออะไรคืออยากอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือว่าตัณหาอยากได้แ้วมันไม่ได้อยากมีแ้วมันไม่มีอยากเป็นแ้วมันไม่เป็นที่เป็นธรรมาว่าทุกขะ อยู่ยากอยู่ลำบากอึดอัดขัดเคืองนะก็ไปแก่ตัวนี้แหละอยากได้คือมันได้ไมาเยอะได้นน้อยเขาว่าพอนะอยากมีก็เอาเท่าที่มีก่อนมันก็อยู่ได้นะอยากเป็นก็เอาเท่าที่มันเป็นได้ก่อนอย่างนี้อยู่ได้เขาเรียกว่าเขาว่าพอแต่ถ้ามันไม่พอในเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ยากละเนี่ยทุกข์ก็อยู่ยากกืออยู่ลาบากเรียกว่าทุกข์ ไปแก้ตรงนี้แหละถ้าใครแก้ตรงนี้ได้นิโรธะคือดับดับชั่วคราวนะไม่จะดับพาวอนเนนิพพานอะคือนิพพานะนิโรธะคือดับสิ่งเหล่านี้มันดับจากใจเราชั่วครั้งชั่วคราวก็จดีใจเราวันนิโรธคือดั บ, ดบเหมือนจิตเราสงบพักหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภัยนอกสังขานไปเราจะบรรจบแต่งแต่งก็เรียกวันนิโรธแต่ว่าถอนออกมามันก็ไม่ได้เป็นนิโรธแล้วคือมันไม่ได้ดับแล้ว หมายคาอว่าถอนออกมาแล้วพรรษะมันทําหน้าที่เมื่อเกิดเวทนาอันนี้ไม่จะนิโรธละเราจะเข้าใจ อ, อ๋อที่เป็นนิโรธได้เพราะพรรษามันดับวิธีการที่ทํำลาบมันก็คือเนี่ยกฎีสิทธิ 4, ค์คือมรรคคือหนทางวิธีการหลักการจรรโลงมรรคแบบหนทางหลักการวิธีการก็คือใจศีรษะนี่แหละคือหนทางในการพันาศีลล่านี้ไนดะ้ เพราะฉะนั้นมันเป็นคู่กันอันแรกทุกขะไปลว่าผลผลมาจากอะไรสมุทัยคือเหตุถ้าเข้าใจสุพเทศอะไรสมุทัยตัวนี้มันก็จะเป็นบางก็จะเป็นเหตุของนิโรธเองพอในนิโรธเสร็จมันก็เป็นผลผลมาจากสมุทัยนี่แหละและตัวนิโรธตัวนี้มันก็จะเป็นเหตุของมรรคมันก็สลับไปสลับมามันเป็นเหตุเป็นผลนี่คือสิ่งที่พระจุทสอน วพ่อก็พูดเสมอว่าสามคำนี่เหตุผลความจริงไม่ได้เยอะเลยแค่สามคำสามพยางนะถ้าเอาต่อเป็นพยางเป็นคำสามคำลองดูว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับผู้นี้อย่างไรเกี่ยวข้องที่มันเป็นเหตุก็ต้นเหตุเหมือนที่เล่าให้ฟังต้นเหตุก็คือหมอก็ไปหาสาเหตุอ่ะไม่ได้ไปดูที่ผลหาสาเหตุแต่แล้วที่มีผลการรักษาออกมาแล้วก็นิโรธคือดับ ดับชั่วคราวนะรักษาโรคเลยหมอถังรักษาโรคมันไม่ได้หายไปเลยคือมันดับชั่วคราวจึงเรียกว่ายายาไว้ปะไว้ชุนไว้จึงเรียกว่ายาบรรเทาไม่ได้ทําให้มันหายโรคมันไม่ได้หายแต่มันบรรเทาพมันยาไว้มันปะไว้มันชุนเอาไว้ชั่วคราวก็เรานิรโททะศน์ทีนี้เรารู้แล้วเออโรคไปก็เจ็บต่อไป บอกก็จะบอกเขาจะแนะนํว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะอย่นี้ไม่ได้นะต้องระวังตรงนี้นะเห็นไหมคือวิธีคือวันถามมาเองนี่คือมักในชีวิตประจําวันอริยสัจสี่ในชีวิตประจําวันแต่เราก็ยังไม่เข้าใจไปอ่านสือไปฟังครูอาจารย์ทั่วโลกทั่วโลกกระฐานไปฟังหรือไงทองกลับาบังเพราะว่าเราไม่เอาความจริงหลายหลายคนเตี๋ยนี้สี่ห้าภาษาหนุ่มแก้วนุ่มขุนทองแล้ว เป็นไก่ละแอกแอกแอกละขันเพาะว่งางเลพ่อว่างกับเราขันกันตัวบ้านไัวเมืองแไปนี่นขันไมขันธรรมด า, น น, านน่นบังผลนิพพานไปโน่นไอเรื่องหลวบธรรมดานนั้ไม่พูดถึงนน่นเหยียบขันต้องการก่าวกรโดดไปนิพพานนลยต่างกัสบสมัยก่อนพอที่จะรู้ดออกมาจากปากแต่ละครั้งกว่าจะไม่ได้พูดขอบูดนี้พูดเป็นนายพูดเป็นยะเกลีกว่ากล่าวตักเกือนแล้วก็พูดไม่ได้พูดตร ง, ตรง อย่างลุงปู่ของเราทั้งหลายลุงปู่ตั้งหลายแล่ไม่มีที่จะไปใส่กันอย่างนี่ไม่มีกา น, น, นพูดเพื่อให้เกิดปัญญาแปลวเราต้องคิดได้ด้วยตนเองเมื่อพูดนี้เราก็ต้องรู้ว่าหมายถึงใครใครโดนคนนั้นก็จะรู้พอรู้เสียคนนั้นก็ต้องไปแก้ไขปรปับปรุงไม่ใช่พักอปรขอพระงอไม่มีเมื่อพูดลุงป อ, อะไรไม่เต้ลุงปู่สิ่มเราก็เหมือนกันลุงปู่ล่า เป็นต้นที่เป็นรุ่นใหญ่ๆจริงๆก็มีปฏิปทาที่ไปว่ากล่าวนะคนนี้เพราะว่า น, นี่คือปฏิปทาที่พรุทธเจ้าสอนมาสอนว่าพุทธเราต้อง ไ, ไม่กล่าวลายไม่ละไม่กล่าวร้ายไม่ว่ารายคือวิธีการเผยแผ่ต้องไม่พูดหยาบไม่ไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่ยกโทษคนอื่นอันนี้คือวิธีการที่พรุทธเจ้าวางหลักการเลยเมื่อวันมาขะบูชา จะไปคุยเพรศาสนากูจะอย่างนี้นะอุดมการ์ของเราเป็นอย่างนี้ป้าหมายของเราเป็นอย่างนี้เราก็มีเหตุผลแล้วก็วิธีการที่เข้าถึงปรบ้านเป็นอย่างนี้หนึ 1, 5, 5, 5. ่งสอสามสี่กูจะลองหรับบอกหมดตั้งแต่ต้นเลยเพื่อเขาจะตรงกันแล้วก็ตามตามนั้นแหละอุดมการ์ถามทุกวันเรามีอุดมการ์มีเป้าหมายอะไรในชีวิตอเอาแค่ถามพวกเราดูกวันถ้าํามง่ายถ้าว่าเกิดมาทําไม ดีไม่ดีโกรธเอาดีซ้ำไปนะคุณลองไปเดินสวนทางกันหนึ่งมองหน้าเขาได้หนึ่งละเกิดมาทำไมเนะี่ยเดี๋ยวมีเลือดออกอยูปากนาแต่ถ้าเราโอบนะเออจริงเออราคาเกิดมาทำไมนะมันจะได้เป็นแานคำถามพอตั้งคำถามถ้ามันจะมีคำตอบนะแต่ทุกวันเราไม่มีคำตอบตเราเกิดมาทาไมเออพอเกิดมาเสร็จแล้ว ไปกลัวตายเลยนะเกิดแล้วแทนที่จะกลัวเกิดเราไปกลัวตายมันกลัวผิดที่เพราะว่าตายมาจากเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายเนี่ยเหตุผลใช่ไหมแล้วก็เป็นความจริงพระเจ้าเราสอนอย่างนี้แต่เราไปกลัวตายแต่ยกมือตรงหัวปรารถนาที่จะเกิดมันแปลกไหมน่ะปัญญาเห็นไหมสติปัญญา แต่ถ้าเราเขาจเออไอ้ตายมันมาจจะเกิดแทนที่จะกลัวเกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ตายมันแปลกเวลาเกิดดีอกดีใจเวลาตายร้องไห้มาคนละอารมณ์เลยทําไมไม่ดีใจอ่ะเออมันตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกเนี่ยทําไมไม่คิดอย่างนี้อ่พอตายแล้วจะต้องมาเกิดอีกคือจะต้องมาดีใจอีกแล้วแหละอดนิดนึงเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วเดี๋ยวก็ได้ดีใจแล้วเดี๋ว ก็เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วเออโอเคเนี้ยถ้าคิดอย่างเงี้ยโอ้มันไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้อะไรเลยเกิดเสีย่ต้องมาเกิดม่อย่างเงี้ยเออคิดอย่างเงี้ยมันมันสบายมันโล่งแต่คิดเป็นทุกข์แล้วมันไม่มีหนทาง ม, มันมืดอันนี้คือสาระฝากพวกเราเราช้าวันนี้ก็เป็นนำย่อยถ้าใครอยากฟังเก็ดธรรมของผูเอาไว้ต่างค่า แต่จะเป็นแรงพู่นหรือเปล่าทั้งวันวันนี้อันนี้เคยสาระสำหรั บ, ราบพากเราสําหรับเช้าวันนี้ก็เป็นคติเป็นแนวคิดในการนําทางเป็นประฏิปทาได้ให้พวกเราได้อันน้อยก็คือได้ยินได้ฟังของจากปากปราครูาอาจารย์ก็จนะะได้พิจารณาเอาไปคิดต่อเอาไปทําการบ้านต่อมันก็เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาข้บราอาหารพวกเราทั้งหลาย เี่น้อมนามาวันนี้เพื่อไม่ได้มาบรุงมาเห็นแล้วก็โน่นหัวท้ายก็จะจัดอาหารได้ว่าอันนี้คืออันนี้ส่งนัคุณกับพระรัตนาใจไม่ได้คิดว่าเป็นคุณคือบารมีของผู้เราหรือบารมีของพระยาอุไรโอนนึงแต่เป็นคุณของพระรัตนตรายแต่คิดอย่างนี้ก็สบายถ้าไปคิดเออนี่บารมีของข้านะเป็นคนนีหลงโมหะโมหะข้องํา ก็กลายเป็นหลงอ่างกาบังก า, งกาอัตตาตามมาว่านี่เป็นคุณของพระรตนตรัยกือจบก็ขอคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของผู้ทีเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระเรสงสองมันเป็นพลวะปัจจัยเชิงไปเครื่องนําทางที่นําให้พวกเราทั้งหลายได้มีความสุ ข, ขการเจริญ น, นำอัตภาพอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลกดูทางธรรมก็จเจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความเจริญทั้ง ทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิน